พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่23อัฏกกนิบาตชุมนุมธรรมะที่มี8ข้อวักที่ไม่จัดเข้าในหมวดห0สิบวักที่หนึ่งสันทานวักว่าด้วยความตั้งอยู่ด้วยดีมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระนางมหาประชาบดีโกตมีกราบทูลขอบวชเป็นภิกษุณีในชั้นแรก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 เมื่อได้ทำอย่างนี้ก็จะอยู่เป็นผาสุขทั้งอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนตรัสแสดงอธิเทวยาณทัศนการเห็นด้วยญาณซึ่งอธิเทพหรือเทวดาผู้ยิ่งใหญ่แปดประการคือเมื่อพระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ทรงปรารถนาจะได้รู้เห็นอย่างนั้นอย่างนี้ ครั้นทรงบำเพ็ญเพียรจนรู้เห็นได้ตามต้องการแล้วก็ทรงปรารถนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปจนสำเร็จสมบูรณ์ครบ8ดข้อจึงปฏิญญาพระองค์ว่าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้แก่หนึ่งเราจักรู้สึกมีแสงสว่างเห็นรูป 2. เราจักยืนสนทนาใไต่ถามกับเทวดาสาม เราจักรู้ว่าเทวดานี้มาจากเทพนิกายนนทนสีเราจักรู้ว่าเทวดาเหล่านั้นเคลื่อนจากนี้เกิดในที่นั้นเพราะกุนแห่งกรรมนี้หเราจักรู้ว่าเทวดาเหล่านี้มีอาหารอย่างนี้เศรษฐุทุกข์อย่างนี้6เราจักรู้ว่าเทวดาเหล่านี้มีอายุยืนอย่างนี้ ดำรงอยู่นานเท่านี้ 7. เราเคยอยู่กับเทวดาเหล่านี้หรือไม่ 8. หรือว่าเราไม่เคยอยู่ร่วมกับเทวดาเหล่านี้ตรัสแสดงอภิพายตนะคือเหตุอันครอบงำอารมณ์ที่เป็น่าสึกหรือธรรมะปลายต่ำาปประการคือหนึ่งกำหนดหมายรูปภายใน เห็นรูปภายนอกเป็นรูปเล็กทั้งที่มีผิวพันธุ์ดีและสาม 2. องกำหนดหมายรูปภายในเห็นรูปภายนอกไม่มีประมาณทั้งที่มีผิวพันธุ์ดีและสาม 3. ามกำหนดหมายอรูปภายในเห็นรูปภายนอกเป็นรูปเล็กทั้งที่มีผิวพันธุ์ดีและสาม 4. ี่กำหนดหมายอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกไม่มีประมาณทั้งที่มีผิวพันธุ์ดีและสามห้ากำหนดหมายอรูปภายในเห็นรูปภายนอกสีเขียวหกกำหนดหมายอรูปภายในเห็นรูปภายนอกสีเหลืองเจดกำหนดหมายอรูปภายในเห็นรูปภายนอกสีแดง8ปดกำหนดหมายอรูปภายใน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 พระอณนนท์กราบทูลถามถึงเหตุปัใจจัยให้แผ่นดินไว้ตรัสว่ามีอยู่แปดประการคือลมกำเริบผู้มีฤทธิ์บันดาลประโอิสั์จุติจากดุสิตลงสู่พระคันพระมานดาประสูตรตรัสรู้รัตถาคตแสดงธรรมจักลงอายุสังขารและปรินิพานด้วยอนุปาทิเศ ส, สนิพานธาต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 เป็นชื่อของพระตถาคตตรัสกับพระนาคิตะแสดงพระประสงค์ไม่ต้อนรับรามคฤหบดีชาวอิจฉานังคละผู้ส่งเสียงเอ็ดอึงตรัสเรื่องอุบาสกที่กวนความบาดางบาดและเรื่องอื่นๆทำนองเดียวกันดังที่มีแล้วในพระวินัย วัรที่ห้าตรัสสอนให้เจริญธรรมะแปดอย่างคืออริยามรรคมีองค์แปดอภิพาัตนะ8ปดวิโมก8ปเพื่อละอุ ป, ปกิเลสสหมีราคะเป็นต้น